เห็นไงตอนนาเคยมาหมาให้อเห็นไงกี่เดเกิดบ่อยไหมทุกวันโอ้ดีนะเวลาใจลอยรู้เร็วขึ้นหมพอจะรู้ไหมใจลอยกใจลอยใจลอยนน่าให้บ่อยๆนะบ่อยเลยอย่าใจลอยนานพอใจลอยแวบมันจะหนีไปรู้ไว้แล้วรู้สึกขึ้นมาอยู่ได้ชั่วขณะแล้วก็ใจลอยใหม่ ส่วน้ความโกรธความโกรธอะไรรุนแรงเนี่ยมันตามหลังใจลอยไม่ทิ้งความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดตอนใจลอยและตอนเผลอๆไปโดยขาดสติมีสติอยู่แท้ๆน้าจะไม่ทุกข์หรอกความทุกข์ในใจเกิดไม่ได้ตอนมีสติทีแล้วดูบ่อยๆา่ชวน ตามันนะยนอย่าไ<ด>ปบังคับมันสุดท้ายไปบังคับใจตัวเองบังคับจะให้มันสงบงมันไปกดมันรืนตาปฏิบัติได้ได้ไ ด, ได้ดูพระพุทธรูปนะไม่มีพระพุทธรูปหลับตาพระองมนั่งสมาธิก็นั่งตัวตรงๆนั่งพื้นไม่สะดวกนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งแล้วก็ทําความรู้สึกตัวคุณใช้อะไรลมหายใจคุณใช้อะไรท้<น>อง ท้องยุบดูท้องพองยุไนะบไปทําต่อไปแล้วนั่งตัวตรงๆสบายดูท้องพองยุบไปนี่พอดูไปดูไ ป, ไ, ปดไปจิตหนีไปคิดก็ให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดก็ดูท้องไปอีกอย่าไปดึงนะตรงที่มันหนีไปเนี่ยอย่าไปดึงคืนมาห้ามดึงถ้าดึงแล้วจะแน่นให้รู้เฉยๆนั่นพอจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดมันก็ เ, เกิดความรู้สึกตัวขึ้นสั้นๆแว บ, บหนึ่ง เดี๋ยวก็จะหลงอย่างอื่นอีกนะบางทีก็เข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องเคยเป็นไหมเข้าไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ท้องนะก็ให้รู้ว่าไปเพ่งอยู่นะแล้วดูท้องของยุบไปเรื่อยๆจิตใจเป็นสุขเป็นทุกเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไงก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆเป็นการซ้อมดูใจเราเองนะั่นเองนะนั้นเวลาเราหัดปฏิบัติเราดูท้องฟองยุบไปแล้วเราก็ดูใจไปในที่สุดเราจะรู้ทันใจของเราได้ชำนิชำนาญ พอเรารู้ทันใจของเราได้ชํานาญแล้วใจเราวิ่งไปก็รู้ใจเป็นชิดก็รู้นะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศนะลก็รู้แนละ้วเนี่ยเราก็มาจเจริญสติในชีวิตประจำวันจริงๆนะพอมาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวใจเราก็วิ่งไปเดี๋ยวก็วิ่งมานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราจะเห็นได้ชัดเพราะเราเคยฝึกซ้อมที่จะรู้ที่จะดูมาแล้วงั่นคุณก็ดูท้องฟองยุกไป แต่พอหมดเวลาปฏิบัตินะไม่ต้องไปดูท้องล้วคอยรู้ใจตัวเองไว้พอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะค่อยรู้ไปเรื่อยๆที่เราหัดไปดูหัดนั่งสมาธิแต่แรกนะเพื่อจะให้เรารู้ทันจิตใจตนเองให้เราจำสภาวะได้ว่าจิตที่เผลอไปจิตเป็นยังไงจิตที่เพ่งเป็นไงจิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลเป็นอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอย่างไงพอเรารู้ชำนี้ชํานาญแล้ว เราไปอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยสติมันจะเกิดเองเช่นพอใจเราโกรธแลบเนี่ยจะเห็นเลยว่าใจมันโกรธความโกรธมันพุดขึ้นมาเงั้นที่เราอุตส่าห์ไปฝึกถัดปฏิบัติอะไรเนี่ยก็จะให้เรารู้เท่าทาันจิตใจตนเองให้ได้พอรู้ทันใจตัวเองแล้วก็ไปใช้ชีวิตจริงๆนี่แหละเอาชีวิตจริงนี้เป็นสนามรบของเรานะในการทาวิปัสสนา เอาไว้ไหมเนี่ยพรจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้มันแยกกนะันบางทีมันก็แยกกันบางทีมก็ไหลไปรวมกันนะแต่ถ้าเราฝึกถูกต้องไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าขันห้ามันแยกออกจากกันไม่เฉพาะจิตกับอารมณ์นะเราจะเห็นในร่างกายก็ส่วนหนึ่งเมทนาความปวดความเมื่อยอะไรเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะจิตที่เป็นคนรู้ก็ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึง เช่นเรานั noise, seeing, sure cookies, mm ่ง hmm. นั่งอย่างนี้นั่งให้สบายนั่งสักพักหนึ่งเมื่อยเราจะเห็นเลยว่ากายก็อันหนึ่งความเมื่อยก็เป็นอีกอันหนึ่งกายยังไม่ได้เคลื่อนไหวเลยแต่ความเมื่อยนี่แอบเคลื่อนไหวเข้ามาอยู่ในกายแทรกเข้ามาในขณะนั้นจิตก็ยังเป็นคนดูอยู่จิตกับความเมื่อยก็คนละอันกันพอเมื่อยมากๆจิตกระสับกระสายขึ้นมาเราเห็นอีกความกระสับกระสายก็ไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเยังจะค่อยๆกระจายออกกระจายออก แต่ว่าถ้าวันไหนไม่เข้าไปรวมกันก็ช่างมันนะไม่ไปบังคับมันหรอกเราไม่ได้ทําอะไรที่ฝืนธรรมชาติเรารู้ไปเรื่อยๆแต่มันค่อยกระจายออกเองเราจะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์กุศลอ่ะกุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่สิ่งที่แปลปลอมเข้ามาผ่านมาแล้วก็ไหลไปมาแล้วก็ไหลไปวันนี้โยเป็นไงวันตุดจีนเป็นไงชาวนา ว่าจิตที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงก็เกิดจากิ่งภายนอกนะก็มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นนะจิตก็เปลี่ยนแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าเราบังคับมันไม่ได้รู้สึกไหมเพราะเราห้ามการเห็นห้ามการได้ยินห้ามการคิดก็ห้ามไม่ได้เรากระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจิตก็เปลี่ยนแปลงจิตจะเปลี่ยนแปลกก็ห้ามไม่ได้อีกจะเห็นเลยว่าห้ามอะไรไม่ได้สักอย่างเลย จะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้จะควบคุมจิตเอาไว้เฉยๆก็ไม่ได้ช่วงหลังๆเริ่มนะมีคนที่ตื่นขึ้นเยอะแยะเลยเอานาเป็นมากขึ้นมากขึ้นเขาเห็นง่ายๆว่าจริงๆแล้วจิตมันทํางานเองนะเขาไม่ได้ปฏิบัติแต่เขาไปเห็นมันเข้าว่ามันทํางานของมันทั้งวัน ปรุงโน้นปรงนี้เดี๋ยวสุเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเขาไปรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้เเรียกว่ารู้เป็นแล้วนะถ้ายังจงใจจะรู้เรียกไม่รู้เป็นหรือรู้ไม่เป็นยังจงใจยังตั้งใจนี่เราหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยอ ย, อย่างหลวงพ่อคอยไล่กี่พวกเราเสือไปแล้วนะเพ่งแล้วนะอะไรอย่างนี้ยสงสัยแล้วนะอย่าง يد. หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดเอง ว่าครูบาอาจารย์ที่สอนทางอริยธรรมเขาก็สอนบอกอย่าเพิ่งรีบร้อนปฏิบัตินะเรียนให้รู้เรื่องก่อนเรียนเรื่องตัวสภาวะต่างๆเรียนไปเจอกระทั่งสติมันเกิดแต่เรียนด้วยการอ่านการฟังสติไม่เกิดหรอกต้องเรียนจากการดูของจริงใจลอยไปละทราบไหมต่อไปจิตมันจะจําได้จิตมันจําได้พอเราใจลอยปุ๊บสติจะเกิดเองโยรู้สึกไหมจิตใจมันนุ่มนวล มันเบิกบานรู้สึกไหมแล้วนะจิตที่เป็นกูส่วนแท้ๆเป็นยังไงนะมันอ่อนโยนมันนุ่มนวลมันเบิกบานนะคล่องแคล่วไม่ปลัดมันปลัดเปรียวไม่ซึมไม่ถือเริ่มทื่อละรู้สึกไหมเพราะโลภะแทรกเข้าไปจิตเป็นอกูส่วนเริ่มทื่อคือเริ่มไปบังคับมันไปจ้องใส่มันการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะดูจิตดูใจเราต้องทําให้ถูกในสามสามสเต็ปสามระยะ แรกเลยก่อนจะดูอย่าจงใจอย่าอยากดูถ้าจะรู้มันรู้ของมันเองไม่ต้องไปจงใจรู้เช่นเผลอไปก่อนแล้วก็รู้ว่าเผลอตกวธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธไม่ไปดักไว้นะไม่ไปดักไว้ไม่ไปจ้องไว้ไม่ไปรอดูอย่าไปรอดูการปฏิบัติถ้ารอดูจะผิดเลยต้องตามดูหมายถึงมันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาแต่มันรู้ได้เพราะว่ามันจิตมันจำสภาวะได้ ให้หัดรู้สภาวะเรื่อยๆนะก็ไม่ต้องไปตะไปดักไว้ก่อนสภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้เช่นใจลอยไปแล้วก็ค่อยรู้ว่าใจลอยโกรธแล้วก็ค่อยรู้ว่าโกรธแต่ต้องรู้ติดๆนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่ได้ที่สองระหว่างรู้เนี่ยนะใจต้องตั้งมั่นระหว่างที่รู้ใจต้องตั้งมั่นนะเป็นกลางอย่าถล่มเพราะไปส่วนมากพอไปรู้อะไรแล้วอยากรู้ให้ชัดๆเลยถล่มลงไปนอนแช่ไว้ ไปเพง่งไปแช่ไปนิ่งๆไว้ข้างในรู้สึกไหมชอบถูกไปแช่ใจไหลเข้าไปอยู่อยากรู้ให้ชัดๆนะลงไปจอ้องการรู้ที่ถูกต้องคือรู้อยู่ห่างๆรู้อย่างคนวงนอกเหมือนเราอยู่บนป็กสูงๆแล้วมองลงมาข้างล่างเห็นรถวิ่งอยู่เต็มถนนเนี่ยเราไม่ได้อยู่บนถนนนะเราดูอยู่ห่างๆเวลาเรารู้กายเราก็รู้กายอย่างห่างๆรู้ใจรู้ใจอย่างห่างๆ ไม่กระโจดลงไปหรือเหมือนดูละครนะอาจารย์สมัยก่อนชอบเทียบเหมือนดูหนังดูละครดูละครต้องดูอยู่นอกเวทีอย่าขึ้นไปยืนบนเวทีอย่ากระโจดลงไปดูของที่ไหลอยู่ในน้ำก็อย่าโดดลงไปในน้ำนะอย่างเราจะดูปลาในน้ำก็ไม่ไม่โดดลงไปในน้ำดูอยู่ห่างๆดูอยู่บนบกนะใจเราดูอยู่ต่างห่างนี่พอพอดูเสร็จแล้วทำยังไงนะก่อนจะดูอย่าับไว้ก่อน อย่าอยากดูอย่าจงใจไปดักไว้ระหว่างดูอย่าถลําลงไปดูแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงแก้ไขเราต้องการดูเพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นว่าทุกสิ่งที่ผ่านมามันเป็นยังไงมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ะเมื่อเราไม่ได้ดูเพื่อจะให้มันดีให้มันสุขนะกิเลนมาก็ไม่ต้องไปแก้ไขมันให้สักว่ารู้สักว่าเห็นกุศลมาไม่ต้องไปรักษามันนะรู้มันลูกเดียวเลย เดี๋ยวมันก็สอนธรรมะเรามันก็เสื่อมไปดับไปให้ดูทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยสมถะกับวิปัสนาต่างกันตรงนี้สมถะเนี่ยจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สงบทําให้สงบดีแล้วสงบแล้วรักษาไว้ประคองเอาไว้ควบคุมไว้วิปัสนาไม่ต้องการสภาวะอันแดนหนึ่งเลยสภาวะอันแดนหนึ่งนี้เสมอภาคกันหมดเลยทุกๆสภาวะสุขกับทุกข์ดีกับชั่วหยาบกับละเอียดภายในกับภายนอกอะไรเนี้ยเสมอกัน คือมันเป็นสิ่งที่สอนธรรมะเราเท่าเๆกันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะเข้าใจถึงถึงแล้วดูไปอย่าเข้าไปแทรกแสงเนะนี่ยอย่าก่อนจะดูอย่าอยากดูแล้วก็เข้าไปดักไว้ระหว่างดูอย่ากระโจนเข้าไปดูอยู่ ห, าหา่างๆพอดูแล้วไม่เข้าไปแทรกแสงไม่ใช่ความโกรธเกิดขึ้นก็หาทางไปละมันะบางคนพอความโกรธเกิดขึ้นก็พุโทโธพุโทโธจะให้หายโกรธหรือไปเจริญเมตตาให้หายโกรธ หรือว่าไปโกรธน้อโกรธน้อจะให้หายโกรธนะอย่างนี้เป็นสมถะนะแต่ถ้าเห็นสภาวะตามที่เขาเป็นนะเพื่อจะได้เข้าใจความจริงของทุกสิ่งเมื่อเกิดระดับเกิดระดับบังคับไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ของวิปัสสนาเป็นอย่างนี้นี่พอเราเรียนพอเราเรียนรู้กายรู้จิตมากเข้ามากเข้านะเห็นแต่ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้มากเข้ามากเข้าเนี่ยเบื้องต้น ก, ลก็ละความเห็นผิดว่ากายกับจิตเป็นตัวเราได้ เห็นเป็นของแปรปลี่ยนเป็นของนอกๆทั้งหมดเลยนะเบื้องปลายมันจะลากความยึดถือกายลากความยึดถือจิตไดนะ้ตรงที่มันลากความยึดถือกายยึดถือจิตได้นะเพราะมันมีวิชามละอาวิชาอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของโลกเป็นสมบัติของโลกเป็นตัวทุกข์เราคิดว่าเป็นตัวเรา พอเราไปสําคัญมั่นหมายว่ากายกับใจนี้เป็นตัวเราก็ยา <S <S อยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นจากทุกข์เกิดตัณหาขึ้นมันอยากแล้วมีอวิชชาหรือไม่รู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีนะเป็นแค่ของโลกเป็นสมบัติของโลกเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้ายัางเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างละไม่ได้แต่ห้เห็นว่าทุกข์ล้วนๆนี่ยถึงจะปล่อยวางได้ อย่างคนทั่วๆไปก็รู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างคุณ เ, เป็นสีรู้สึกไหมร่างกายก็ทุกข์มั่งสุขมั่งใจก็ทุกข์บ้างสุขบ้างยังมีคู่คู่อยู่เมื่อมันยังทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็จะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ้นรนหาความสุขก็ด้วยการไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาตอบสนองมันด้วยความอยากที่เรียกว่ากรร ม, มาตันหา อยากได้อารมณ์ที่เพลิดเพลินผอใจแล้วจะได้มีความสุขเนี่ยหรืออยากเป็นอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้อยากให้จิตของเราดีอยากให้จิตของเราสงบนี่เรียกว่าภาวะตัณหาอีกอันหนึ่งก็วิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อยเืยเรียกว่าวิภาวะตัณหาะไม่ชอบนี้หนีไปเนี่ยที่ที่มันเกิดตัณหาขึ้นมาเพราะมันมียวิชามันไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีมันคิดว่าตัวเรามีจริงๆรแล้วมันก็เลยเกิดตัณหาอยากให้มันมีความสุขอยากหนีความทุกข์นั่นแหละ นีตอบสนองมันเท่าไหร่มันก็ไม่พ้นนะต้องมารู้กายต้องมารู้ใจรู้กายรู้ใจจนเกิดปัญญาแจ่มแจ้งกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อมันไม่ใช่ตัวเราแล้ววัวนใดหมดความยึดถือนี่ยตัณหาจะหมดไปเองเพื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวเรานะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมูทไทที่ตัณหาจะถูกละอัตโนมัติการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนี่แหละ ทำให้สมุทัยถูกลัะโดยอัตโนมัติพอสมุทัยถูกละอัตโนมัติเนี่ยจิตจะเข้าถึงความสงบสุขความปราศจากตัณหาไม่มีสันติสุขสันติสุขหรือความสงบสุขตัวนี้ก็คือนิโรธหรือนิพพานนั่นเองนะการที่เราคอยรู้ทุกทุกก็คือกายกับใจนะกายทุกใจทุกก็มีอยู่แค่นี้เองให้รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจการรู้ทุกรู้จกนกระทั่งรู้ความจริง ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจตัณหาคือตัวสมุทัยจะถูกละไปจิตใจจะเข้าถึงสันติสุขเข้าถึงนิโรธเข้าถึงนิพพานสภาวะที่คอยรู้ทุกข์นี่แหละเรียกว่ามรคนือนมร์เนี่ยก็คือการที่คอยรู้กายคอยรู้ใจจนกระทั่งสิ้นตัณหาแจ่มแจ้งในนิโรธในนิพพานนี่เรียกอริยมร์มร์เบื้องต้นก็รู้กายรู้ใจไป สมาร์เบื้องปลายที่เป็นอริยมรรคไปรู้นิพพานค่อยดูเอานะค่อยดูเอาไม่มีทางรอดอย่างอื่นเลยคนในโลกนี้ก็ดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์มาตลอดเวลาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะดิ้นไปเรื่อยแต่มันไม่พ้นหรอกไม่พ้นเพราะว่ามันคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราอันนี้กายนี้ใจนี้มันเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์มันแนบมากับตัวเราตั้งแต่แรกแล้ว ถ้าไม่ทิ้งตัวเราออกไปก็ทิ้งตัวทุกข์ออกไปไม่ได้ไม่พ้นหรอกใหรดูเอานะไม่ได้ยากอะไรหรอกเมื่อสักอาทิตย์ก่อนมนะังสี่สี่ห้าวันก่อนนะั่มีหนุ่มคนหนึ่งบอกนายยกมือพูดเฮาหันนะ <c oughs> การที่เห็นทุกข์เนี่ยทำให้ละสมุทยโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับใช่เป็นยังไง เขาจะจีบสาวคนหนึ่งมันจีบยากมันเห็นทุกข์เลยเลิกจีบเลยหมดความอยากจะจีบเ <c oughs> พราะว่าตีธรรมะต่ำระดับมากเลยนะ <c oughs> คําว่ารู้ทุกข์ไม่ใช่ไปรู้ว่าอกหักเป็นทุกข์อะไรอย่างนั้นจีบสาวยากเป็นทุกข์นะคําว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้านิยามไว้เนี่ยบอกว่าโดยย่อ อ, อุปาทานขันห้าคือทุกข์คือกายกใจต่างหากคือตัวทุกข์ถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่าไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็คืน กายคืนใจให้เป็นสมบัติของโลกไปตามเดิมเไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาเตัณหาเลงจะหมดไปไอ้ประเภทจีบสาวลำบากแล้วก็เลิกจีบไปเดี๋ยวมันก็ไปจีบคนอื่นอีกสมูทไทยไมันไม่หมดหรอกเหมือนก็เปิดอีกเหมือนโยนะแทนที่จะบวชก็คิดจะมีเมียตรงนี้อย่าไปตัดออกเลยนะ ม, มันเบื่อเบื่ออยากอยากทาไมเบื่อเบื่ออยากอยากเพราะมันไม่เห็นทุกข์มันยังไม่รู้ลงที่กายที่ใจแจ่มแจ้งก็ยังเบื่อเบื่ออยากอยากเพราะมันยังคิดว่ามีสองอยู่มีสุขก็มีทุกข์อยู่ศาสตรบใดที่ยังมีสุขก็มีทุกข์คู่กันอยู่นะมันจะวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทำแห่งปวเป็นคู่เนี่ยทําให้ปรุงแต่งมีความต่างขึ้นมาแล้วก็เลยเคลื่อนไหวให้ปรุงแต่ง แต่ถ้าเรารู้กายแจ่มแจ้งว่ากายนี้ทุกรุนรวนดูจิตลงไปจนแจ่มแจ้งและจิตนี้ทุกรุนรุนเนี่ยไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างถึงจะยอมปล่อยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ารู้ทุกถึงจะถึงธรรมถึงเห็นธรรมเพรารู้ทุกก็คือรู้ว่ากายนี้ใจนี้น่ะทุกรุนรวนถึงยอมปล่อยวางเข้าถึงธรรมะแท้ๆที่พ้นจากกายจากใจหลับใดที่ยังเห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุกบ้างปล่อยไม่ได้หแล้วเบื่อเบื่ออยากอยาไปเรื่อยๆ สดสมพงเป็นไงเจอางันยนะเริ่มตันแน่นนอนเลยให้มันตันไปนั่นดีแล้วันแต่ตันราไม่เลิกนะครั้งหนึ่งก็มีคนหนึ่งภาวนาเป็นพระองหนึ่งภาวนาทำไปอย่างนี้เออน่าจะดีนะจิตดีเช่อสว่างสวยเบาโล่งไม่ยึดไม่ถืออะไรสบายพอหลายหลายวันเนี่ยเริ่มสังเกตเห็น พอตื่นนอนตอนเช้านะเอาจิตนี้เคลื่อนเข้าไปตรงที่สบายนี้เลยเข้าไปแล้วไปอยู่อยู่นี้นึกว่านิพานนะอยู่ไปหลายวันมันทําไมทื่อๆมันไม่ใช่ของจริงแล้วมันทื่อๆขึ้นมานะตรงนี้ไม่ใช่แล้วเลิกหันมาทํากลับมาเบสิกใหม่เลยะมารู้กายมารู้ใจใหม่กลับมาหาจุดตั้งต้นใหม่เดินผิดแล้วถอยกลับมาที่เก่ามารู้กายมารู้ใจรู้กายรู้ใจจิตก็พลิกแปลงไป อีกนะนึกว่าอย่างนี้ดีอยู่ไปหลายวันก็พบว่าไม่ใช่อีกละโอดิ้นรนดิ้นรนไปเรื่อยนะจนทั่งรู้สึกว่ามันหมดทางไปลนะเมื่อมันหมดทางไปนี่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วจนปัญญานะสงสัยชาตินี้ไม่มีบารมีมากกว่านี้ละได้แค่นี้เองใจมันหมดแรงดิ้นรนที่จะสแสวงหาธรรมะนะใจมันก็เข้าถึงธรรมะง่ายๆเลยตรงที่หยุดดิ้นได้นั่นแหละ ว่าก่อนจะหยุดดิ้นได้นะต้องดิ้นสุดขีดมาแล้วถ้าแกล้งหยุดนะมันก็คือการดิ้นอีกแบบหนึ่งแลาจะกแกล้งทำเป็นหยุดนะล้ะผมหมดความอยากแล้วหมดแล้วนะ <c oughs> นี่หลอกลวงนะอย่างนี้เพราะั้นต้องสู้สุดฤทธิ์เลยสู้จนหมดปัญญานะแหละพอหมดปัญญาเราก็หมดความซาหหมดความคิดว่ากูเก่งกูเก่ง ถ้ายังคิดว่าทําได้อยู่ถ้ากูยังเก่งอยู่แต่ไม่รอดฝึกไปเรื่อยโอ้จนปัญญาแล้วหมดสติหมดปัญญาไม่รู้จะทํำยังไงนะช่างมันเถอะอะไรจะเกิดก็ช่างมันเถอะเนี่ใจจะเข้าถึงธรรมะแต่ก่อนจะช่างมันนี่หมายถึงสู้สุดที่แล้านะสู้สู้เต็มเหนียวแนละ้ดูไปเรื่อยเลยทุกแง่ทุกมุมรู้ไปทําไงมันก็ไม่ผ่าน เงั้นลูกิึกกับไหนปฏิบัติแล้วกิเลสเกิดบ่อยหลวงพ่อชอบนะลูกฝึกกับไหนปฏิบัติจนจนปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะโอ้ดีจังเลยไอ้พวกที่ยังเก่งเก่งกาๆอยู่นะอีกนาน <c oughs> อ่ะจาั์ปูช่วงนี้ก็จะเห็นตัวเองคิดากเห็นตัวเองคิดมากขึ้นนะ ไม่ถึงนหนัลนะเวลาสวดมนต์ก็เหมือนกันสวดไม่จบบทหรอกสวดแว บ, บเดียวขาดช่วงไปแล้วแต่ก่อนก็ขาดแต่ไม่เคยเห็นอาศัยสัญญาจําได้ว่ามันสวดต่อมไม่ว่าสวดได้ตลอดที่จริงๆนะ่ะเกิดดับเกิดดับเร็วมากเลยสวดไปคำสองคาขาดไปแล้วเ่อกี้ก็จะเห็นว่าเวลาเราคิดมันก็จลอยนะอลขึ้นมาเมื่ก่อน็ที่มนนนนนันเหมือนเกิดธาตุททยมจจตอนนี้มันหายไปแล้ว แล้วจะเอาตัวไหนอ่ะมีสองตัวสังเกตไหมตัวบนเนี้ยไม่ทุกตัวบนเหมือนกับเป็นจิตเป็นคนดูตัวล่างแต่ตัวล่างนี้ยมันทุกข์รู้สึกไหมใช่สิเนี่ยหลวงพ่อเคยงงกับสองตัวเนี้ยงงแล้วเป็นสิบสิบปีนะสิบกว่าปีนะไม่ถามกูบาาจารหรอกเอาไว้ดู ก็ดูไปมีสองตัวตอนนั้นงงมากเลยหลวงปู่ ด, ดุลบอกให้ดูจิตไอ้จิตมันเหมือนเป็นคนอยู่ข้างบนนี่เป็นคนดูพพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกไอ้ตัวนี้มันทุกไอ้ตัวข้างล่างมันนะทุกจะเอาตัวไหนล่ะทำไมมันขัดแย้งกันโอ้างงนะสมควรงงต่อไปแต่บอกใบห้หนึ่งว่าไม่ได้เอาทั้งสองตัวแหลนะเอาที่ไหนที่หนึ่งก็ไม่ได้หรอก ตรงกันบ้านเลยคือเราอย่าไปทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะคนไหนต้องทำวัดสวดมนต์นไหว้พระอะไรเงี้ยควรทำทุกวันนะแล้วคนไหนเดินจงกรมได้ ทำสมาธิได้ก็ทําไม่ละทิ้งหรอกมันเป็นการช่วยนะแต่ถ้าคนไหนไปนั่งสมาธิแล้วเคลิ้มแล้แงะๆก็ไม่นั่งนคนไหนทําตามรูปแบบรู้เครียดแข็งแข็งก็ไม่ต้องทำํำแต่ถ้าคนไหนทําได้ก็ควรทําการที่เราดูกายดูจิตรวดไปเลยเนี้ยถ้าเราใจเราไม่ตั้งมั่นพอมันจะเหมือนรู้แต่ไม่รู้จริงหรอกไปรู้นอ ก, นอก ไม่มีกำลังที่จะตัดสินความรู้ได้เฉการทำตามรูปแบบเป็นเครื่องช่วยถ้าทำได้ก็ทำแต่ว่าคอยสังเกตจิตอย่างแต่เดิมเราเคยหัดพุดโทโธหัดหายใจเนี่ยเพื่อให้เกิดความสงบลองปรับนิดนึงไม่ได้ทำเพื่อสงบแล้วเราพุโทโธไปหายใจไปเพื่อคอยรู้ทันจิตตนเอง เหมือนที่เล่าให้คุณนี้ฟังเมื่อกี้เนี้ยดูท้องพองยุบก็เพื่อรู้ทันจิตตนเองทำอะไรก็คอยรู้ทันจิตตนเองนอพุโทโธไปหายใจไปแล้วใจก็หนีไปคิดใจเป็นไหม<อ>พุโทโธพุทโธก็ห<ๆ>นีไปก็รู้มันเอานะงั้นก็ไปเดินเอาเดินจงกลมเดินเพราะมันเป็นสมถะ นะเรลียนใหม่ไงวิธีเดินนะเดินสบายๆเดินไปเรื่อยๆเห็นร่างกายนี้มันเดินนะใจของเราเป็นคนดูแยากกายแยกใจซะนะกายเดินใจเป็นคนดนะูแต่ถ้ากายมันเดินแล้วใจเราเข้าไปเพ่งเพ่งเท้าจะยกจะย่างนะเพ่งลูกเดียวนะเป็นสมถะเดี๋ยวเกิดอาการของสมถะเช่นตัวเบาๆตัวลอยๆตัวโครง่งๆหรือไหว ว, วุบวาบูภาพนะนันะสมถะ แต่ว่าถ้าเราเดินจงกรมแล้วเราเห็นว่ารูปมันเดินใจเราเป็นคนดูเอย่างเนี้ยใจจะค่อยๆตั้งมั่นเสร็จแล้วใจหนีไปคิดเราก็เห็นอีกใจมันหนีไปคิดเราก็รู้ทั น, นใจเข้าไปเพ่งร่างกายเราก็รู้ทันคอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆพอเรารู้ทันใจของเราชำนี้ชำนาญแล้วเราก็มาปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงนี่เองคล้ายๆนักมวยนะนักมวยถึงจะเป็นแชมป์โลกมันก็ยังต้องชกกระสอบเหมือนกัน การที่เราไปทําตามรูปแบบก็คล้ายๆนับมวยไปชกกระสอบเนะี่ยเช้นมาพุโทโธมากําหนดลมหายใจมาดูท้องคองยุบอะไรเงี้ยมาทำตามรูปแบบแต่ทําตามรูปแบบไม่ได้ทําเพื่อความสงบอย่างเดียวแล้วลองปรับนิดนึงให้พยายามอย่างหายใจไปก็ค่อยรู้สึกตัวไปหายใจแล้วจิตหนีไปก็รู้ทันนะส่วนใหญ่นี้ไปคิดก็ให้รู้ทันว่าหนีไปแล้วไม่ห้ามนะไม่ตําหนิติเตียน หายใจไปแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจหรือดูท้องพองยุบแล้วไปเพ่งท้องเดินจงกรมแล้วไปเพ่งเท้าก็รู้ทันอีกว่าเข้าไปเพ่งละเพะฉั้นไม่ว่าทํากรรมฐานอะไรที่เรื้องต้นทําสักอันหนึ่งก่อนแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆพอเรารู้ทันจิตชำนิชำนานคล้ายๆนักมวยเข้าค่ายซ้อมมาดีละคราวนี้ต้องขึ้นชกของจริงละของจริงในการทำมิตรศาสนาก็คือการที่เรามีชีวิตอยู่ที่ไหนเราก็ไปปฏิบัติที่นั้นแหละะไม่ต้องหนี อย่ยงเราอยู่ในขับรถอยู่คนมันปาดหน้าเราตาเรามองเห็นมันปาดหน้าใจเราคิดมันแน่แค่แค่ไหนนะใจมันโกรธเนี่ราก็เห็นทันเลยใจตะกี้ไม่โกรธตอนนี้ใจมันโกรธจิตใจมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆเงั้นการทําตามรูปแบบนะก็ทําไปเพื่อจะคอยรู้ทันใจหัดรู้ทันใจนั่นเองรู้ทันจิตใจพอรู้ทันจิตใจได้แล้วก็มาใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละเมื่อตามองเห็น สิ่งแปลกปลอมบางอย่างก็เกิดขึ้นที่จิตเนะีเมื่อหูได้ยินเสียงก็มีสิ่งแปลกปลอมขึ้นที่จิตเช่นได้ยินเพลงนี้เพราะใจมันชอบได้ยินนี่เสียงนี้เขาด่าเราเนี่ยใจมันเดือดขึ้นมานะเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเสียงไปนะฝึกอยู่อย่างเนี้ยฝึกไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกคือเมื่อสติตัวจริงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าสายกายหรือสายจิตแล้ว ใสก่กาหรือสจิตมันเปแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นจุดตั้งต้นถ้ารู้กายถูกต้องจะรู้จิตรู้จิตได้ถูกต้องก็รู้กายนะแล้วพอรู้กายถูกต้องจะมีสติเมื่อสติเกิดแล้วเนี่ยสติจะเกิดไประลึกรู้กายบ้างระลึกรู้จิตบ้างเราเลือกไม่ได้นะหรือเราหัดเบื้องต้นเราหัดดูจิตพอดูเป็นเนี่ยสติเกิดพอสติเกิดเนี่ยบางทีมันก็ไปรู้กายบางทีมันก็ไปรู้จิต เงเบื้องต้นการปฏิบัติเนี่ยอาจจะเริ่มจากกายานุปัสสนาหรือเวทนานุปัสสนาหรือจิตตานุปัสสนาก็ได้แต่เมื่อสติตัวจริงเกิดแล้วจิตมันจะก้าวไปสู่ธรรมานุปัสสนาจะเห็นแต่ว่าสภาวธรรมทั้งหลายเกิดแล้วดับสภาวธรรมทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมเงี้ยสายโนนสายนี้อะไรนะเป็นแค่จุดตั้งต้นตามจริตนิสัยเท่านั้น บางคนเป็นพวกโลกมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามวันวนี้ให้ทำสมาธิแล้วก็ใ่ตั้งมั่งขึ้นมาแล้วมาดูกายจะเห็นว่ากายไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามจะละนิสัยอยากหาความสุขความสบายชอบของสวยของงามมาดูที่กายพวกไหนคิดมากให้ดูเข้าไปที่จิตเลยจะเห็นในจิตเรานี่กิเลสหนายิ่งกว่าชาวบ้านเขามันจะไม่เพ่งโทษชาวบ้านแล้วจะเห็นในเรานี่กิเลสเยอะเยอะ ใครมาหัดดูจิตดูใจที่นี่จะรู้สึกไหมกิเลสเราเยอะเยอะแยะเลยแต่แต่ก่อนมันก็เยอะนะแต่ไม่เคยเห็นนึกว่ากูดีกูดีนะดู <c oughs> ไปดูเข้าเสีน่าเกลียดชะละแต่ก็ไม่ได้ไปดูเพื่อจะตำหนิติเตียนดูเพื่อให้เห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละยิ่นชอบรู้กายก็ไม่ทิ้งสมถะทิ้งสมถะไม่ได้นะถ้าจะดูกายยิ่นถ้าใครเดินแนววัฏปะ ห้ามทิ้งสมถะใครจะเดินแนวทางฟองยุบหรือขยับมืออย่างหลวงพเทียน ร, รู้อิริยาบถสี่อย่างสายจันแนบเนี่ยก็ไม่ควรทิ้งสมถะเพราะกายารู้ปัสนานี่มันเหมาะกับสมถะญาณนิษฐ์ถ้าใจไม่มีคุณภาพพอใจไม่ตั้งมั่นพอจะถลามลงไปเพ่งลูกเดียวเลยไปดูท้องก็ไปเพ่งท้องไปดูเท้าก็ไปเพ่งเท้าใจมันไม่มีกําลังมันไม่ตั้งมั่นมาเป็นผู้รู้ผู้ดู ไปรู้ลมหายใจก็ถล่มไปเพ่งลมหายใจขยับมือก็ไปเพ่งมือรู้อิริยาบถสีเพ่งมันทั้งตัวเลยคราวนี้ตัวแข็งแข็งทั้งตัวเลยแต่ถ้าใจเราทําสมถะมาก่อนใจเราตั้งมั่นจะเห็นเลยอย่างเราฝึกสมถะอนะไรเช่นเราฝึกพุทโธพุทโธเราจะเห็นเลยว่าจิตก็อยู่ต่หากนะคําว่าพุทโธนี่เป็นสิ่งที่จิตมันคิดขึ้นมาหรือถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เราก็จะเห็นเลยว่าลมหายใจเป็นของที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้ลมหายใจโคล่ากันถ้าจะทําสมมติาด้วยการดูท้องของยุบเราก็จะเห็นเลยท้องที่ฟองที่ยุบนี่ของถุกรู้จิตเป็นคนไปรู้มันนมันจะแยกออกมาจะกระทั่งมีจิตที่เป็นตัวรู้อยู่แล้วเนี่ยคราวเนี้ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแล้วมันจะเห็นตลอดเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจะแยกกันเลยมันจะไม่ใช่ตัวเราเลยกายนี้เหมือนเปลือกเหมือนถ้าที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเอง เนี่ยถ้าจะดูกายอย่าทิงสมถะนะถ้าดูจิตก็ดูเข้าไปเลยแล้วสมถะเกิดทีหลังดูกายเนี่ยต้องใช้สมาธินําปัญญาดูจิตเนี่ยปัญญานําสมาธิมันสองสายสําหรับจริตนิสัยคนที่ต่างกันอย่างคนไหนจริตเหมาะที่จะรู้กายก็ไปรู้กายอย่างหลวงพ่อจริตเหมาะที่จะดูจิตก็าเป็นคนคิดมากแต่ไหนแต่ไรเหมาะจะดูจิตหลวงพ่อก็มาหัดดู